พากันตั้งใจฝึกใจของจนให้ดีจิตหรือใจดวงเดียวนี่นะเป็นแก่นแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบารมีมาสีอสงไขยปลายแสนหมากับเขาเพื่อที่จะให้บุญบารมีอันนั้นมา เป็นกำลังใจอันเข้มแข็งเด็ ด, ดียวละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์แต่เวทไสของพระพุทธเจ้านะพระองค์มีพระเมตตากว้างใหญ่ไพศาลคิดจะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไป ได้เป็นจำนวนมากดังนั้นจึงต้องสร้างบา ร, รมีให้กว้างใหญ่ไพศาลจึงสามารถโน้มน้าวจิตใจของคนให้มาเคารพนับถือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้สำหรับพระสาวกแล้วไม่ถึงปันนั้น พ่าภูมิแคบสร้างบารมีเพียงแสนกับกดเต็มบริบูรณ์ดังนั้นคอยพากันเข้าใจว่าเราจะเอาอะไรมาลากกิเลสในใจนี้ให้หมดสิ้นไปไม่ได้นอกจากบุญจากคุณแล้วไม่มีอะไรที่จะมากำจัดกิเลส ออกจากกิตใจนี่มีทนายมีแต่บุญกับคุณนี้ต้องให้เข้าใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไปสร้างบุญบารมีทำไมอ่ะนเนี่ยต้องให้คิดเห็นอย่างนี้เรียนมนกลคาถาหรืออ้อนว อ, อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลก ทั้งหลายจงมาดลบันดาลให้กิเลสตัณหาหมดสิ้นไปอย่างนี้นะถ้ามันหมดสิ้นไปทางความอ้อนวอนบวงสรวงอันนั้นจริงมันก็จะไม่มีใครปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยเกิดมาแล้วก็เห็นว่าชีวิตนี้ีเป็นทุกข์อยากพ้นจากทุกข์นี่ก็ไปอ้อนวอนบวงสรวงเทวดาอินรม่ม โยมยักษ์ทั้งหลายก็ดีรู้ว่าเรียนคาถาอาคมอันวิเศษต่างๆมานี้มาเสกมาเป่าจิตใจอันนี้ให้กิเลสหมดไปสิ้นไปมันก็ไม่มนะีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีถ้าเป็นอย่างว่านี้นะแต่ปรากฏว่าไม่มี ไม่มีใครที่จะบวงสองอ่อนรอนหรือว่าสาธยายเวทปนกนคะถาแล้วกิเลสและกองทุกจะหมดไปสิ้นไปไม่มีเลยขอให้เข้าใจปรากฏแต่ท่านพูนรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่งสมาธิภาวนา ทาใจที่ฟุ้งซ่านเรื่อนร้อยให้สงบเป็นเอิงลงไปแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณากายพิจารณาใจนี่ให้มันเห็นโดยแจ่มแจ้งเห็นว่ากายกับใจนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปอยู่อย่างนั้น ใจหมายถึงความน้อมรับอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆเหล่านี้มันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารก็สังเกตดูแลภาวนาดูก็รู้ได้ทุกคนแหละดูความคิดของกิตเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่นั้น ไม่เห็นอนาะมันมีอะไรเป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นไม่มีะไรเมื่อจริงแล้วนะั้นมันดับไฟแล้วเหลืออะไรอยู่กว่า น, นี้ก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นแหละอันนี้มีอยู่ทุกคนฉะนั้นต้องภาวนาและพิสูจน์ตัวเองเอาเองกิเลสพันห้าตัณหาหนรอยแปดมันก็เกิดจากความรู้สึกอันนี้แหละ เพื่อเขารู้สึก น, นี่มันยังไม่รู้เท่ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นมันก็ปรุงก็แต่งสร้างขึ้นในจิตใจนี่แหละจิตนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นนะข้อนี้ผูดด้ใดภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วถึงจะรู้ได้เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายแล้ เพราะว่าตัณหาความทยานอยากไม่มีที่สุดพระองค์เจ้าทรงตรัสว่านทิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีบรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไหลหลังทั้งเทลงไปสู่มหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลไม่อิ่มน้ำชั้นใด จิตใจของบุคคลก็ไม่อิ่มตัณหาฉันนั้นนี่หมายถึงบุคคลผู้ไม่เห็นโทษผู้ไม่เบือนายในตัณหาอกย่อมไม่อิ่มสักทีความอยากอยากก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกรวมความแล้วก็อยากในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจนี่เอง ไม่ใช่อยากอย่างอื่นเพราะในโลกอันนี้มันก็มีเท่านี้แหละมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เท่านี้แหละลองพี่าาดูาจะมีอะไรล่ะไอ้ส่วนที่เป็นรูปนะส่วนที่เป็นรูปนั้นที่มีจิตคลองก็ได้แก่มนุษย์และสัตว์นดริฉาน ที่ไม่มีจิตครองก็ได้แข่ต้นไม้หินกรวดทรายดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้นะก็อันสิ่งเหล่านี้ท่านจัดว่าเป็นปรูปธรรมนามธ ร, รรมนั้นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจใจปรุงแต่งขึ้นมา เมื่อใจเนี่ยอาศัยร่างกายนี่แล้วร่างกายนี่มากระทบจิตนี่เข้าก็เป็นสัมผัสท่านเรียวกว่าสัมผัสเมื่อกระทบเข้าหากว่ามากระทบกั บ, กบร่างกายที่โรคภัยก็เจ็บบีดเวียนอยู่อย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้สึกทุกขเวทนาอย่างรุนแรง จิตใจที่ไม่ได้ฝึกขวนอบรมไม่อดไม่ทนแล้วนี้ก็กวดแกว่งไปมาดิ้นรนกระสับกระส่ยอย่างนี้แหละท่านโะพุทธเจ้าทรงบัญญตัตว่าทุกขเวทนานความจำได้ไมร่รู้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนั่นนะ ทั้งที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจก็ดีไม่น่าพอใจก็ดีก็เป็นเรื่องของสัญญาความจําความหมายืมสังขารคือสภาพปรุงแต่ง จ, จิตใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างวิญญาณคือความรู้แจ้งทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ สี่อย่างนี้รวมเรียกว่านามธรรมแปลว่าธรรมนั่นมีแต่ชื่อไม่มีรูปร่างดังนั้นขอให้เข้าใจให้พึงพากันเข้าใจนามธรรมสี่ประการนี้ซึ่งมันอาศัยกายกับจิตกระทบกันแล้วก็เกิดเป็นนามธรรม ทั้งสี่นี่ขึ้นนี่พากันภาวนาดูอย่าพากันนั่งอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆซื่อๆอยู่นั่นมันจะรู้อะไรแล้วมันก็ไม่รู้อะไรแล้วสักหน่อยกิเลสมาจูงไปก็ไปตามกิเลสแล้วจิตไม่รู้อะไรไม่ใช่ว่ามันจะสู้กับกิเลสได้นะ ใจิตใจสงบอยู่ซื่อๆ อ, อย่างนั้นมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกตอนจะสู้กิเลสได้ต่อเมื่อได้พิจารณาเมื่อสิ่งใดกระทบกระทั่งมาก็กําหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ได้อืมพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั่นนั้น ความเป็นจริงในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่พ้นไปจากลักษณะสามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะแต่ว่าจิตไม่ได้ฝึกฝนให้สงบประนับเราทั้งไม่ยอมไม่ยอมรับรู้ลักษณะอาการของสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดี มันไม่รับรู้มันสำคัญได้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาทุกศาดทุกพบมาเลยเหตุตั้งนั้นมันถึงได้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามอยู่นี้แหละจึงได้มาหลงไหลสาคัญว่าเป็นตัวตนอยู่นี้เองนะดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็สมควรที่จะพึงทำความเพียร พิจารณาทำใจสงบระงับให้ได้สินี่แหละหนทางออกจากทุกข์นะให้เข้าใจเราไม่เดินทางนี้ไม่พ้นทุกข์เลยการเดินทางนี้หมายความว่าทำจิตให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปมีสติประคองอยู่จิตนี่เมื่อมันสงบไปนานๆมันก็มีกำลังเข้มแข็ง มันก็ไม่ออนแอรโทษแหอไม่วันไหวไปตามอํานาจของกิเลสอย่างนี้นะเมื่อเมื่อจิตไม่วันไหวไปตามอํานาจของกิเลสแล้วมันก็กําหนดรู้เรื่องนั้นได้ตามเป็นจริงเออพิจารณาเรื่องที่มากระทบนั่นมันก็ยืนตัวให้พิจารณาอยู่ ให้เห็นได้ชัดชัดเช่นอย่างเวทนาอย่างว่านี่แหละก็เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่นานสักหน่อยทุกขเวทนานั้นก็ดับไปแล้วทุกขเวทนาก็เกิดมาแทนอย่างนี้นะเอา ทุกวเวทนาดับไปวันทีก็อุเบกขาเวทนาเกิดแทนคืออารมณ์ที่มาถูกต้องคิดนั้นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่บุญใช่บาปเป็นอารมณ์กลางกลางอย่นั้นเฉยๆจิตก็เลยรู้สึกเป็นกลางกลางไม่ยินดี ย, นยินร้ายกับอารมณ์นั้นๆ นี่ท่านก็ บ, บัน ญ, ญัตว่าอุเบกขาเวทนาละอย่างนี้นะก็จะไม่เข้าใจได้อย่างไรเล่าถ้าผู้ทมความเพียรเพ่งพินิษ์โน้มสติสมปัจจะเข้ามาดูกายดูจิตนี่เสมอเสมอแล้วก็ย่อมรู้ได้เลย รู้ว่ารูปทำนามธรรมนี่ไม่ใช่ของัวของทนจริงจังถ้าเป็นของทนมันก็บังคับได้แหะใครจะไปอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยู่นั้นเกิดมาแล้วอยากให้รา ก, กายสังขารได้อยู่ยั่งยืนนานตลอดไปไม่ให้มีเกิดไม่ให้มีดับไม่ให้มีแตกดับทำลายเลยเอันนี้ใครๆก็ ต้องการอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยสัตว์โลกอันนี้นะแต่แล้วมันก็ไม่ฟังอะ่ะเพราะมันเป็นอนัตตาบางัางคับไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้โปรง่งให้วางเสียพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วอย่าไปยึดถือไว้ด้วยความยินดียินร้ายต่างๆอันนี้นะ่ะชื่อว่าเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ เดินทางใจนี่แหละเพราะว่าความทุกข์มันอยู่ที่ใจใจเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะความยึดถือยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแหละเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่จิตอาศัยอยู่แปร ผ, ปรผันไปจิตก็แปรปรวนไปตามอย่างนี้นะไม้เป็นทุกข์จะอยู่ได้เหรอ ถ้าหากว่าจิตใจนี่ถูกอบรมให้สงบรงับบ่อ ย, อยแล้วหัดอ ด, ดทนต่อสู้กับทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนี่ไม่ย่อท้อเวลาเจ็บหนักลงมากก็มีสติประคองจิตให้อดกั้นทนทาน ต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นนั้นก็อย่างนี้แหละการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกทาสมาธิภาวนาก็เพื่อฝึ ก, กจิตให้เข้มแข็งนั่นเองถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วมันอ่อนแออะไรมากระทบกระทั่งเราหนึน่งก็ปลิวไปตามวันไว้ไปตาม ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามอย่างนี้นะถ้าผู้ใดมาฝึกจิตใจของตนให้สงบระงับจากนิวรณะธรรมทั้งห้าประการคือความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความพุ่งซ่านลำคาญความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณททษเป็นต้นนี่นะ อพิจรารณาเรื่องบาปบุญกุทลอลไรนี่ให้จนรู้แจ้งจนหายสงสัยว่าบุญหรือบาปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าบุญกุศลเป็นของเที่ยงมันก็ทกแต่งร่างกายนีให้ยั่งยืนไปตลอดสิออลองคิดดูให้ดีนั่นแหละที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นก็เพาะ บุญกุศลที่สร้างมาหรือบาปก็ตามเนี่ยมันมาหน่วยผลให้เกิดเป็นคนมาในโลกนี้เมื่อบุญและบาปนี่วันไหวไปเสื่อมโทรมไปร่างกายนี้ก็เสื่อมโทรมไปตามกันอแต่ว่าบาปนั่นน่ะท่านมาตกแต่งร่างกายเกิดมาก็มิแต่ทุกภเวทนาสเสวยแต่วิบากรรมอยู่อย่างนั้นแหละ จิตวิญญาณบางคนนะผู้ผประมาทมัติชาติก่อนหุนหลังได้ทำชั่วติดตัวมามากมายอย่างนี้นะมาในชาตินี้ความชั่วมันก็แสดงฤทธิ์แสดงผลของมันแล้วันนี้นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นฝึ ก, กจิตใจของตนให้เข้มแข็ง เกล้าไว้เผื่อว่ามารคือบาปอากุศลเหล่านั้นมันมารบกวนจิตใจมันจะจูงใจให้ไปทางชั่วหรือว่ามาจูงใจให้ทุกข์ให้โศกให้เสียดายอะไรในรูปในนามเหล่านั้นหรือตลอดถึงทรัพย์สมบัติภายนอกต่างๆนั้น น, านามูนี่นะ กิเลสที่มันย่อมให้จิตอะไรใจคล่องอยู่อย่างนั้นใจนี่จึงได้มัวหมองอยู่ด้วยความอะไรทั้งรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกรับภายในก็ได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้แหละสติปัญญานี่เองเนะี่ยทรับภายนอกก็ได้แก่ร่างกายสังขารแล้วก็เงินทองเข้าคล้องดังกล่าวมานั้น อย่างนี้นะเราพิจารณาดูให้มันเห็นด้วยตนเองเมื่อมันเห็นด้วยตนเองได้แล้วมันจึงไม่ยึดถือเพียงแต่อาศัยเป็นปัจจัยอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการบริโภคกรณีที่ที่อาศัยกรทียุกยา แกโกครคไข้แก้เจ็บกระีเป็นของอาศัยชั่วคราวทั้งนั้นเลยเราต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ยินดีร้ายเมื่อเวลามันกระทบกระทั่งมามากระทบด้วยในตาเป็นตน้นก็ไม่วันไว้จิตใจนั่นนะพอได้พิจารณาอยู่แล้วนี่แหละขอให้พากันเข้าใจ เราทำความดีอะไรอะไรก็เพื่อสนับสนุนจิตตรงนี้นะให้เบื่อหน่ายตากิเลสใทนละกิเลสให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปจากขิดใจนี้แต่บางคนก็ท้อใจทำไปแล้วมันละไม่ได้ไม่ต้องท้อใจให้นึ ก, กว่าบุญบา ร, รมีเรายังไม่แก่กล้าพอ เหดังนั้นมันจึงละกิเลสยังไม่ได้ก่อนหรือว่าละได้เป็นบางอย่างบางอย่างละไม่ได้เลยอืมเช่นนี้แล้วอย่าไปท้อถอยเราทําความเพียรไปอินทรีย์มันก็ค่อยเกกล้าไปนั่นแหละอา้าคราวนี้สู้กิเลสไม่ได้ก็สู้ไม่ได้เพื่อก่อน เราตั้งใจใหม่มีอุบายแยบใครสอนจิตเข้าไปอย่าให้มันอ่อนแอทษแท้นี่มันต้องต่อสู้กันด้วยอุบายปัญญาบ้างมันมันจึงยอมละจิตใจนี่นะดังนั้นอ่ะจะไป ท, อทอ้อถอยมันกกิเลสมันก็ไม่เที่ยง บุญกุศลบาปกมทางหลายก็ไม่เที่ยง mm. เมื่อมันให้ผลหมดเขตก็มาแล้วมันกระดับไปเท่านั้นเองนะบุญหรือบาสนี่นะ mm. ดังนั้น mm. เมื่อเรารู้ว่า mm. เหตุปัจจัยอันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแล้วร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแฉไหน นี่ก็ต้องพิจารณาให้รู้เห็นอย่างนี้แล้วก็ฟงก็วางสิเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนอ่ะมันบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าบอกได้มันก็เที่ยงสิออย่างนี้เนี่ยมันเป็นความจริงแท้ๆแล้วเราต้องยอมรับความจริงเหล่านี้ให้ได้อืมแล้วเมื่อพิจารณาเห็นตามไปจริงแล้วก็ปฟงวางลง แล้วก็จะมีส ต, ติสมัติเประคองความรู้สึกนนี้ไว้ให้เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้่จิตใจนี้เมื่อมันทําให้ตัวเองสงบระงับลงไปแล้วเจริญปัญญารู้แจ้งขันธ์หน้าตามเป็นจริงแล้วมันก็ชื่นชมยินดีกับบุญบารมีอินทรีย์ของตัวเองชื่นชมยินดีเหมือนอย่างบุคคลได้ หาเงินทองเข้าของได้เงินได้ทองของมีค่ามามากๆเนี่ก็ดีอกดีใจอันนี้เหมือนกันเนี่ยบุคคลผู้ใดอบรมศีลอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นอบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในใจสามารถบรรเทากิเลสให้เบาบางไปได้จริงๆเช่นนี้ผู้นั้นก็ยอมภาคภูมิใจสิ เหมือนอย่างเขาแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนต่างๆของมีค่ามากนะเมื่อไปพบกอแล้วมันก็ดีอกรีใจเทอนั้นเนี่ยแต่เมื่อยังไม่พบ ก, ก็เป็นทุกข์พราะขุดเจาะหินเข้าไปดินเข้าไปแต่ผู้นั้นเชื่อแม่นว่าใต้ดินนี่ใต้หินลงไปนี่จะมีทองคำแน่จึงได้มีกำลังใจขุดเจาะลงไป อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละในกายกับจิตนี่มันต้องมีของดีอยู่แน่นอนทีเดียวไม่เะนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เพ่งพิจารณา